ผู้ฉลาดในฐานะและอัานาะร้อยย่าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรจึงควรเรียกว่าผู้ฉลาดในฐานะและอฐานะอานนภ์ิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลจะพึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสภาวะเที่ยง แต่เป็นไปได้ที่ปุตุชนพึงย happens, ึดสังขารไรๆโดยความเป็นสภาวะเที่ยงรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพึงถึงพร้อมด้วยทิฏฐิที่พึงถือสังขารไรๆโดยความเป็นสุขแต่เป็นไปได้ที่ปุตุชนพึงยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสุขรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้ทิฏฐิ พึงยึดถือทาไร่ไร้โดยความเป็นอัตตาแต่เป็นไปได้ที่ปุตชนพึงยึดถือทำไร่ไรๆโดยความเป็นอัตตาร้อยยี่สิแปรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่ามานดาแต่เป็นไปได้ที่ปุตุชนพึงฆ่ามานดา รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่าบิดาแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงฆ่าบิดารู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่าพระอรหันต์แต่เป็นไปได้ที่ปุตุชนพึงฆ่าพระอรหันต์รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ พึงมีจิตคิดประทุษร้ายทำร้ายตถาคตให้ห่อเลือดแต่เป็นไปได้ที่ปุตุชนพึงมีจิตประทุษร้ายทำร้ายตถาคตให้ห่อเลือดรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงทำลายสงแต่เป็นไปได้ที่ปุตุชนพึงทำลายสงรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ พึงนับถือศาสนาอื่นแต่เป็นไปได้ที่ปุตุชนพึงนับถือศาสนาอื่น129รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์พึงเสด็จอุบัติพร้อมกันในโล ก, กาธาตุเดียวกันแต่เป็นไปได้ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติในโล ก, กาธาตุเดียว รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจั ก, กรพรรดิ Credit, สองพระองค์พึงเสด็จอุบัติพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันแต่เป็นไปได้ที่พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียวร้อยสามสิบรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่สตรีพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่สตรีพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่สตรีพึงครองความเป็นเท้าสักกะเป็นมารเป็นพรหมแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงครองความเป็นเท้าสักกะเป็นมารเป็นพรหมร้1เอด รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใกร้น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกร้ไม่น่าพอใจรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่วจีทุจริตเป็นไปไม่ได้ที่มโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใกร้น่าพอใจ แต่เป็นไปได้ที่วจีทุจริตมโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่กายสุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจ รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่ว จ, จีสุจริตเป็นไปไม่ได้ที่มนโนสุดจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร้น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่มนโนสุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร้น่าพอใจรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยกายทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์ เพราะความเพียรพร้อมด้วยกายทุจริตเป็นเหตุปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บ right> ุคคลผู้เพียรพร้อมด้วยกายทุจริตหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะความเรียรพร้อมด้วยกายทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้เพียรพร้อมด้วยวจีทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เพราะความเรียบพร้อมด้วยวัจจีทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้เพียรพร้อมด้วยวจีทุจริตแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้เรียรพร้อมด้วยมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุขติวินิบาศนรกเพราะความเพียรพร้อมด้วยมโนทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัย รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้เรียรพร้อมด้วยกายสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะความเรียรพร้อมด้วยกายสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บุคคลเรียรพร้อมด้วยกายสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เพราะความเรียรพร้อมด้วยกายสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัย รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลเรียบพร้อมด้วยวจีสุจริตเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายท ad ุกติวินิบาดนรกเพราะความเพียบพร้อมด้วยมโนสุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้เรียบพร้อมด้วยวจีสุดจริตแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้เรียบพร้อมด้วยมโนสุจริต หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความเรียบพร้อมได้มโนสุดจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยอานอนท์ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในฐานะและอถฐานะร้อเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานอนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าน่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏธรรมะบรรยายนี้ชื่ออะไรพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะเหตุนั้นแลเธอจำธรรมะบรรยายนี้ไว้ว่าชื่อพหุธาตุกะบ้างชื่อจตุปริวัตตะบ้างชื่อธรรมาทาสะบ้างชื่ออมตะทุนทุพีบ้างชื่ออนุตตระ สังคามวิชยะบ้างพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานน์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลพระหุทาตุ ก, กสูตรที่ห้าจบ